ยังอยู่และควรทำอะไรดีหัวข้อรู้กายตอนรู้อิริยาบถพุทธพจน์เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อ น, อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน หรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดกิริยาท่าทางอย่างนั้นอย่างนั้นข้อความจากมหาสติปฐานสูตรกายานุปัสนาอิริย า, าพตบัพพลงมือปฏิบัติปกติคนเราจะรู้สึกว่ามีร่างกายก็ต่อเมื่อค้างคาอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป ต้องระบายความอึดอัดเมื่อยขบอันเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยการปรับเปลี่ยนท่าทางเส้ใหม่ให้สบายขึ้นกว่าเดิมนอกนั้นแม้ร่างกายมีก็เหมือนไม่มีในการรับรู้ของเราที่อยู่ๆจะให้สามารถระลึกถึงร่างกายได้เรื่อยๆนั้นไม่ใช่วิสัยธรรมชาติต่อเมื่อฝึกรู้ลมหายใจได้ผลมาแล้ว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 จะให้มองฝ่าออกไปเห็นอะไรนั้นยากการสังเกตรู้ตามจริงคือปล่อยให้มันเกิดตามที่มันอยากจะเกิดไม่ใช่คุณเป็นคนอยากให้มันเกิดอย่างไรหน้าที่ของคุณคือรู้ความต่างซึ่งไม่นานจะเกิดความเพลิดเพลินกับการเห็นความต่างในที่สุด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 ตามที่กําลังปรากฏอยู่จริงๆแล้ว 4. เมื่อนอนก็รู้ว่านอนท่าทางในการนอนที่สนับสนุนให้เกิดสติคืองายหน้าเหยียดตัวตรงแผ่นหลังวางราบกับที่นอนเมื่อมีสตินอนอย่างรู้ว่านอนในท่านี้ก็ยอมต้องรู้สึกถึงท้ายทอยแผ่นหลัง และแขนขาอันกำลังสัมผัสที่นอนอยู่ยามนอนเป็นช่วงที่เกิดสัมผัสมากที่สุดโดยไม่ต้องใช้จินตนาการใดๆถ้านอนที่ถูกสุขลักษณะควรมีทั้งตะแคงและหงายสลับกันการนอนท่าใดท่าหนึ่งนานๆอาจมีผลให้ลมหายใจติดขัดฉะนั้น ตราบเท่าที่ยังคงสติไม่หลับไปเสียก่อนเราก็ต้องตามรู้ไปว่ากำลังนอนหงายหรือนอนตะแคงมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นการนอนตามความเคยชินคือนอนอย่างหลงฟุ้งซ่านแบบเอาแน่ไม่ได้ว่าจะคิดถึงเรื่องใด 5. เมื่ออยู่ในท่าทางอย่างไร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 สำคัญที่ให้รู้ท่าทางในสภาพนั้นๆเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้อิริยาบถเต็มขั้นอุบายง่ายๆคือให้สังเกตจุดรวมความรู้สึกทางกายอันได้แก่จุดกระทบขหนึ่งหนึ่งหรือความตั้งตรงและโค้งงอของหลังคุณก็จะรู้สึกถึงอิริยาบถ ท, ทางกายตามจริงได้ตลอด การฝึกรู้ตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะไว้ในข้อนี้บอกกับเราอย่างหนึ่งคือท่าทางตายตัวสำหรับการฝึกสตินั้นไม่มีมีแต่ต้องเอาสติไปตามท่าทางทั้งหลายให้ทันการฝึกรู้อิริยาบถให้ถูกต้องนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากสำหรับการเจริญสติขั้นต่อต่อไป เพราะยิ่งกายปรากฏชัดขึ้นกับสติเท่าไรรายละเอียดของกายยิ่งปรากฏตามจริงว่าไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นมากขึ้นเท่านั้น